ตอนที่21เ็เจ็บหนักขณะที่ผมมัวแต่สารว น, นป้อนข้าวน้องชายคนเล็กจูจูก็ได้ยินเสียงพ่อไอค้ครกอย่างรุนแรงทีแรกก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะัก แต่ไม่เกว่าพ่อจะยิ่งไอรุนแรงขึ้นทุกทีทุกทีไอจนเหมือนกับอวัยวะภายในจะทะลักไหลออกมาทั้งยวมอย่างนั้นแหละผมรีบวางจานข้าวในมือลงแล้วขยับเข้าไปดูท่านทันทีพ่อหันมาเห็นเข้าเท่านั้นแหละผมก็แทบช็อกเพราะทั้งที่มือของท่านตลอดจนพื้นตรงหน้าล้วนมีแต่เลือดเปือนอยู่เต็มไปหมดพ่อพ่อเป็นอะไรไปนะ่ะ ผมตกใจแทบตายพ่อสีหน้าพ่อดูซีดเซียวเหลือเกินพ่อคงอยู่ไม่นานแล้วละ่ะพ่อพูดยังไม่ทันจบมีเลือดทะลักไหลออกจากปากทั้งอีกพ่อผมตะโกนขึ้นพร้อมกับน้ำตาที่หยดลงมาแต่ผมกลัวว่าพ่อจะรู้ว่าผมร้องไห้ได้แต่ปลอบท่านไม่รองพ่อไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพ่อก็หายดีเหมือนเดิมแล้วละ่ะ ผมประคองพ่อให้นอนลงที่เตียงเพื่อให้ท่านได้พักผ่อนจากนั้นจึงเดิอนออกมาข้างนอกผมแหงหน้าขึ้นมองฟ้าถามตัวเองว่าผมควรจะทำอย่างไรดีอาจเป็นเพราะพ่อเหนื่อยเกินไปหรืออาจเป็นเพราะว่าช้ำในจากตอนที่ตีกันกับชายจอยจัดตั้งแต่ครั้งที่แล้วแต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามครั้งนี้ คงจะไม่ไปหาหมอไม่ได้แล้วละ่ะผมคิดในใจว่าพ่อครับพ่ออย่าตายนะพ่อจะทิ้งพวกเราไปไม่ได้นะครับพอคิดดังนี้ผมก็รีบวิ่งกลับเข้าไปข้างในแอบจิบเอากระป๋องเหล็กเล็กๆที่ใช้เก็บเงินของพ่อมาลองยกขึ้นประเมินน้ำหนักดูแล้วก็ต้องเหือตกเพราะในกระป๋องเหล็กมีเหรียญเงินอยู่เพียงสองสามเหรียญเท่านั้น เงินจำนวนเพียงเท่านี้อย่าว่าแต่จะพาพ่อไปหาหมอเลยแค่จะซื้อยาจีนมาต้มกินเองอยังไม่พอเลยผมวางกระป๋องเหล็กในมือลงอย่างสิ้นหวังชักช้าไปคงไม่ได้การผมควรจะรีบออกไปขอทานหาเงินถึงจะถูกผมรีบหยิบชามใบเล็กวิ่งไปในเมืองแล้วนั่งคุกเข่าลงกับพื้นคำนับผู้คนที่เดินผ่านไปมามากมายบนท้องถนนยังไม่ลืมหูลืมตา ท่านครับท่านครับท่านผู้มีใจเมตตาทั้งหลายกรุณาช่วยผมด้วยเถิดครับขอเงินทําทานให้ผมไปซื้อยาให้พ่อหน่อยเถิดครับได้โปรดเถิดครับผมจะเอาเงินพาพ่อไปหาหมอครับกรุณาเถิดครับช่วยผมหน่อยครับปากก็พูดไปใจก็หวั่นที่ตกจนไม่รู้ว่าน้ําตาไหลนองหน้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่บางคนเห็นผมร้องไห้ก็สงสารควักเศษเงินให้ผมนิดหน่อย แต่บางคนนอกจากจะไม่ให้เงินแล้วยังสั่งสอนผมอีกไอ้หนูเอ้ยโตขนาดนี้แล้วทำไมไม่ไปร่ำเรียนหนังสือหนังหาหละ่ะมือตีนก็ยังดีๆยังจะมีหน้ามาขอทานอีกไม่ละอายใจบ้างหรือไงผมยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาตอนนี้มีแต่เรื่องพ่อป่วยเท่านั้นที่ทำให้ผมวุ่นวายใจคนอื่นจะเข้าใจผมอย่างไรก็ช่างเถอะผมไม่คิดจะแก้ตัวหรอกถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องทางบ้าน ต่อให้ผมมือขาตีนด้วนยังไงผมก็คงจะไปเรียนหนังสือแบบคนอื่นอยู่เหมือนกันใครอยากจะมานั่งคุกเข่าขอทานให้คนอื่นได้ดูถูกข่มเหงกันอย่างนี้เล่าแต่ไม่ว่าใครจะเข้าใจผิดจะต่อว่าผมอย่างไรก็เชิญผมยังคงก้มหน้าก้มตากล่าวคำขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณซ้ําแล้วซ้ําเล่าอยู่ยนั้นยิ่งเหยียบอย่างผมเท่าไหร่ ก็มีแต่จะทำให้ผมยิ่งเข้มแข็งขึ้นเท่านั้นพอได้เงินมาจำนวนหนึ่งแล้วพอ่อก็เขียนใบสั่งยาให้ตัวเองจากนั้นก็ให้ผมถือไปที่ร้านขายยาจีนบางทีอาจเป็นเพราะบุญที่ท่านเคยช่วยเหลือคนอื่นไว้มากประมังเพียงกินยาไปไม่กี่หอ่พอพ่อก็มีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดท่านเริ่มด่าได้เสียงดังฟังชัดเหมือนเดิม เริ่มมีกำลังตีผมได้แรงเท่าเดิมคราวนี้ตอนที่ไม่เรียวของพ่อลอยมาจะฟาดที่ตัวผมผมกลับไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิดเดียวได้แต่แอบดีใจว่าฮ้าแรงใช้ได้อย่างนี้ก็แสดงว่าพ่อคงจะหายดีแล้วละมั้งดีจังพ่อไม่เป็นอะไรแล้วไม่เรียวที่หวดซ้ำลงมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่า ทำเอาผมหลั่งน้ำตาได้ความยินดีเมื่อสุขภาพของพ่อเริ่มกลับมาแข็งแรงดีขึ้นก็เป็นช่วงหลังตรุจจีนพอดีงานชิ้นแรกที่พ่อมอบหมายให้ผมทำก็คือให้ผมจูงท่านเข้าไปที่บ่อนที่ตลาดพ่อบอกว่าพ่อโชคดีมากที่ไม่ตายจึงอยากลองเข้ามาเสี่ยงโชคดูบ้างบรรดานักพนันเห็นพ่อเดินเข้ามาก็สะ ก, กิดเรียกกันใหญ่เฮ้ hey, ดูนั่นสิ เจ้างูซื่อเจ้างูซื่อมาแล้วไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากว่าพ่อตาบอดแต่หูของท่านก็ดีมากจนยากจะหาคนเทียบติดเกมพนันที่ท่านถนัดที่สุดเพียงอย่างเดียวคือไฮโลลูกเต๋าเดียวโดยเจ้าของบ่อนจะวางกระดาษแผ่นหนึ่งที่ตีตารางเป็นหกช่องมีเลขหนึ่งถึงเลขหกเขียนกำกับไว้ไล่ไปทีละช่องให้ผู้ที่มาพนัน วางเดิมพันลงในช่องที่ตนเลือกหากช่องที่เลือกตรงกับแต้มลูกเต๋าที่ออกเจ้ามือก็จะต้องเสียพนันให้กับผู้เล่นหูของพ่อจับเสียงได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อเพียงแค่ฟังเสียงลูกเต๋าที่ถูกเขย่ากระทบกับถ้วยก็จะรู้ทันทีว่าตาี้ลูกเต๋าจะออกแต้มอะไรเมื่อก่อนผมเคยได้ยินพ่อโม้เรื่องนี้ให้ฟังที่บ้านพวกเราก็เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่ง จนกระทั่งวันนี้ผมได้เห็นกับตาตัวเองแล้วว่าพ่อแทงพนันถูกติดต่อกันหลายตาบ้านเจ้ามือตระกูลจวงจ่ายเงินจนชักจะเหลื่อตกแต่ฝ่ายนับพนันกลับยิ่งสนุกสนานเมามันกันใหญ่พอเห็นพ่อพนันได้แทบทุกตาก็พากันปรบมือชัยโยโห่ร้องเอาใจช่วยเมื่อเห็นพ่อลงพนันช่องไหนก็จะรีบวางตามทันทีพวกที่กาลังจะหมดตัว ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเริ่มจะชนะขึ้นมาบ้างเงินของฝ่ายเจ้ามือชักจะลดน้อยลง ท, ทุกทีแต่เงินตรงหน้าตักนักพนันมีแต่จะ ก, กองเป็นพนิอนสูงขึ้นทำเอาบ้านเจ้ามือตระกูลจวงโกรธเสียจนต้องเก็บแผงวิ่งหนีไปพร้อมกับหมายหัวไว้ว่าคราวหน้าจะไม่ยอมให้พ่อเข้ามาเล่นอีกแล้ว เงาของเจ้ามือที่วิ่งหนีไปพร้อมกับคำดา่าทอหยาบคายกําลังจะลับตาไปแล้วคุณลุงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆก็ยื่นบุหรี่ส่งให้พ่อพ่อเป็นนักเลงบุหรี่เก่าอยู่แล้วหยิบไม่ขีดไฟขึ้นมาจุดเบาๆเพียงครั้งเดียวประกายไฟก็ลุกพึบขึ้นมาตรงหน้าบรรดานักพนันพากันทึ่งจนต้องปรบมือให้กับพ่ออีกครั้งหลายคนไม่ยอมเลิกราอยู่แค่นั้น ยังอยากจะลองดีกับพ่อต่อไปอีกจึงควักเอาธนาบัตรออกมาสองสามใบแล้วให้พ่อลองถายดูว่าใบไหนมีมูลค่าเท่าไรแต่ไหนเลยจะชนะพ่อได้ด้วยเรื่องเท่านี้ไม่ต้องการใบเล็กใบใหญ่ออกมาเทียบกันหรอกแค่จับดูเท่านั้นพ่อก็รู้แล้วทุกคนในที่นั้นต่างก็จุ ป, ปากด้วยความทึ่งและอัศจรรย์ใจ กระซิบกระซาบกันว่าตาบอดคนนี้ถ้าจะกินยากหวังหากไม่ใช่เพราะพอ่อไม่เคยสวมเมตตาดำแต่กลับเผยให้ทุกคนเห็นลูกตาที่ขาวกรอกกลิ้งไปมาตามธรรมชาติอย่างนั้นแล้วเราก็ผมรับรองได้ว่าคงไม่มีใครเชื่อว่าพอ่อตาบอดเป็นแม่ ตอนที่22ประจำเดือนของแม่ผมจัดการกับประจำเดือนของแม่มานานประมาณ20กว่าปีได้แล้วกระมันแม่ผู้มีไอคเพียง58ไหนเลยจะเคยรู้ว่าประจำเดือนคืออะไรยิ่งเรื่องจัดการทำความสะอาดด้วยแล้วยิ่งแทบจะไม่ต้องพูดถึง โดยปกติสมาชิกในบ้านเราก็ไม่ค่อยจะได้อาบน้ำกันอยู่แล้วแถมเราอยู่กันจนชินกับกลิ่นตัวที่เหม็นสาบของแม่จึงไม่มีใครเคยสังเกตเห็นเลยว่าทำไมใต้ขากรงเกงของแม่จึงมีเลือดไหลยหยดเพราะถึงอย่างไรประจำเดือนของแม่ก็มาเองไปเองตามธรรมชาติอยู่แล้วและถึงมันจะทำให้เสื้อผ้าเปื้อนแต่แม่เองก็ไม่เคยรู้ ต่อมาเมื่อผมกับพี่สาวโตวขึ้นมาหน่อยขณะที่เรากำลังเร่ร่อนบนถนนสายหนึ่งก็มีคุณป้าใจดีคนหนึ่งดึงมือเราเข้าข้างทางเงียบๆแล้วเอาผ้าขัดขาดสองสามชิ้นยัดใส่มือเราไว้บอกให้เราใช้รองไว้ที่ด้านในของกางเกงของแม่หรือไม่ก็ให้เราพยายามหากางเกงสีทึบๆมาใหแม่ใส่ จะได้งงไม่เห็นเลือดประจำเดือนที่ไหลออกมาเปื้อนกันเกลให้แดงเถือกเป็นดวงดวงอย่างนี้ประจำเดือนผมกับพี่สาวได้ยินแล้วก็งงก็เราอายุยังไม่ทันจะถึงสิบขวบเลยไม่มีทางจะรู้ว่าอะไรคือระยะไข่ตกอะไรคือประจำเดือนแต่พอเราเดินไปที่ข้างหลังของแม่เท่านั้นโอ้อะไรกันเนี่ยพระเจ้าช่วยมีเลือดเปื้อนแม่เต็มไปหมดจริงๆด้วย ผมตกใจแทบตายทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้แม่ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรตรงไหนนี่นะแล้วทำไมถึงมีเลือดไหลออกมามากมายอย่างนี้กำลังจะถามพ่ออยู่เชียวแต่ไม่เท้าของพ่อก็ลอยและเลี้ยวมาเสียก่อนผมจึงต้องเรีบทำตามที่ผู้หญิงคนนั้นบอกคือเอาผ้าเก่าๆที่เขาให้มาพันทับกันเป็นเส้นยาวแล้วสอดลงไปที่ร่องกันเกลของแม่แทนผ้าอนามัย แม้ว่าผ้านี้จะไม่ใช่เสื้อผ้าที่เหลือของผู้ตายในงานศพแม้จะเป็นเพียงแค่เศษผ้าเก่าๆที่ชาวบ้านเอื้อเฟื้อแก่เราแต่สำหรับเราแล้วต่อให้มันจะเก่าหรือขาดวิ่นสักแค่ไหนก็ต้องถือว่าเป็นของล้ำค่าหายากทั้งนั้นจะใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งไปได้ยังไงจึงมีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นก็คือพอใช้เสร็จแล้วก็จะต้องเอาไปซักที่แม่น้า แล้วก็ตากที่แห้งแล้วนํากลับมาใช้อีกแต่ผ้าที่สกรปรกแบบนี้คงซักในตอนกลางวันไม่ได้เพราะช่วงกลางวันจะมีแม่บ้านมาใช้น้ำที่แม่น้ำกันเยอะทั้งที่มาซักผ้าบ้างล้างผ้าบ้างหรือที่หาไปรดน้ำแปลงที่ผักก็มีถ้าผมซักผ้าจนน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วละก็ไม่ถูกด่าสิน่าแปลกดังนั้นผมจึงต้องรอจนเย็นย่า ช่วงที่ดวงอาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้าจนแทบไม่มีแสงสว่างแล้วนั่นแหละจึงค่อยแอบเอาผ้าที่เปื้อนประจำเดือนของแม่ออกมาสักได้ครั้งแรกที่ได้เห็นเลือดมากมายขนาดนี้ผมก็แทบลมจับอยากจะอาเจียนออกมาตลอดเวลาถึงอย่างไรเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะใช่หน้าที่ของผู้ชายแต่ในเมื่อพ่อผู้เป็นสามีไม่สามารถ จ, จัดการในเรื่องนี้ได้ ดังนั้นหน้าที่นี้จึงตกเป็นของลูกชายคนโตอย่างผมไปโดยปริยายแต่ความจริงแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องลำบากอะไรนักหนาเพราะการกรณีบัตรดูแลแม่เป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนหรือผมที่ไม่ควรจะผลักไสไปให้ผู้อื่นอยู่แล้วจําได้ว่ามีอยู่คราวหนึ่งเมื่อผมเห็นว่าแม่น้าปลอดคนแล้ว จึงรีบช่วยเอากางเกงที่เปื้อนประจําเดือนของแม่ไปซักทันทีพอไปถึงผมก็รีบนั่งลงซักกางเกงอย่างระแวดระวังคอยมองซ้ายทีขวาทีแล้วก็เร่งมือซักเต็มที่จะได้รีบกลับบ้านเร็วๆนึกไม่ถึงเลยว่าขณะที่ผมกำลังซักผ้าอยู่ที่ต้นน้ำนั้นที่ต่อล่างของแม่น้ำจะมีสามีภรยาคู่หนึ่งเห็นเลือดที่กาลังไหลาตามแม่น้าลงมาสองสามีภรยาตกใจมาก รีบวิ่งขึ้นมาดูว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็พอดีมาเห็นผมกำลังลุกลี้ลุกหลนทั้งคู่ไม่ฟังอิราค่าอิรงว้าได้จอบพระก็วิ่งตรงเข้ามาหาผมทันทีปาก็ด่าไปด้วยว่าไอเด็กเพลสไอเด็กเวนตะไลแกฆ่าคนใช่ไหมผมสะดุ้งตกใจจนเสื้อผ้าหลุดออกจากมือไปตัวเองก็กองลงไปนั่งตัวสันงานนกอยู่กับพื้นพอเริ่มสงบสติอารมณ์ลงไปแล้ว ผมก็รีบพุกเขาคำนับขอร้องให้พวกเขาปล่อยผมไปเถอะแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ยอมเลิกรามือของพวกเขายังกำทั้งจอบทั้งพราไว้แน่นสายตาที่มองมาอย่างผมก็อย่างกับจะกินเลือด ก, กินเนือ้อเด็กสาเรเลวเป็นเด็กเป็นเล็กตัวแค่นี้ใจดําอมหิทธฆ่าได้แม้กระทั่งคนลงเชืึกชั่วจริงๆผมพยายามอธิบายให้พวกเขาฟังว่า ผมไม่ได้ฆ่าคนแต่นี่เป็นประจำเดือนของแม่ผมต่างหากแต่พวกเขาไม่ยอมเชื่อผมเลยสักนิดก็ใครจะเชื่อลงล่ะครับว่าในโลกใบนี้ยังจะมีแม่คนไหนที่ยอมเอากางเกงเปื้อนประจำเดือนของตัวเองมาให้ลูกชายช่วยซักให้ต่อให้แม่เลี้ยงก็ตามเถอะคงไม่มีใครทำเช่นนี้แน่แต่ผมก็ยังพยายามยืนยัน จริงนะครับจริงนะครับผมพูดจริงๆนะครับจากนั้นจึงเล่าเรื่องในครอบครัวให้พวกเขาฟังด้วยใบ ห, หน้าที่อาบด้วยน้ำตาแม้ผมจะพูดอย่างจริงจังแต่ดูเหมือนทั้งคู่ไม่ยอมเชื่อผมสักเท่าไรเลยแต่ยังดีที่ทั้งคู่ยอมลดมือที่เงื้อจอบและพระอันแสนน่ากลัวนั้นลงซะก่อนสองสามีภรรยาปรึกษากันว่า ควรจะเชื่อน้ำหน้าเด็กอย่างผมดีหรือไม่ในที่สุดก็ตัดสินใจให้ผมพาพวกเขาไปที่บ้านพวกเขาอยากไปดูบ้านที่ป่าช้าของผมให้เห็นกับตาผมยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาแล้วนําทางพวกเขาไปที่บ้านเพราะเห็นสภาพบ้านผมเท่านั้นทั้งคู่ก็ถึงกับตะลึ ง, งานันด้วยแทบจะไม่เชื่อด้วยสายตาตัวเองไม่มีใครพูดอะไรอีก ได้แต่น้ำตาไหลลงมาเงียบๆพวกเขายกมือขึ้นตบป่าผมเบาๆก่อนที่จะเดินจากไปพร้อมกับเสียงถอนหายใจยาวประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมาสามีภรรยาคู่นี้ก็กลับมาที่บ้านเราเอีกคราวนี้มาพร้อมกับข้าวปลาอาหารและเสื้อผ้าเก่าๆที่นำมามอบให้แก่ครอบครัวเรา แม้ว่าเรื่องร้ายจะกลายเป็นเรื่องดีแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่กล้าเอาเสื้อผ้าของแม่ไปซักในตอนกลางวันอีกเลยคิดถึงตอนนั้นแล้วก็รู้สึกสยองขึ้นมาจริงๆผมเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งไว้ที่ริมแม่น้ำตั้งแต่วันนั้นแล้วใช่ไหม ตอนที่23าขอทานวันฝนตกก็เป็นอีกเช้าหนึ่งที่แทบจะขออะไรไม่ได้เลยผมถือขันขอทานเครื่องมือหากินประจำกายเดินต่อไปอย่างจนปัญญาเดินมาถึงร้านขายขนมปัง พอดีเหลือไปเห็นเจ้าของร้านเดินถือขนมปังถาบใหญ่ที่เพิ่งจะอบเสร็จใหม่ๆออกมาจัดเกรียงโชยใส่ตู้กระจกไว้ขนมปังเหล่านี้ทั้งชิ้นใหญ่ทั้งหอมกลิ่นนมเนยที่โชยมาเหมือนจะหลอกล่อให้ผมน้ำลายไหลผมแทบไม่รู้ตัวว่าขยับเท้าก้าวมาข้างหน้าตั้งแต่เมื่อไหร่จะทำอะไรพอเจ้าของร้านมองเห็นหน้าผมเข้า ก็ตะวาดออกมาทันทีผมรีบขยับถอยหลังไปหนึ่งเก้าที่จริงผมไม่ได้คิดจะทำอะไรสักหน่อยผมอยากบอกเขาเหลือเกินว่าผมแค่อยากจะดมกลิ่นขนมปังเท่านั้นแหละแค่ได้ดมกลิ่นก็อพอแล้วไปไปที่นี่ไม่มีอะไรจะให้แกหรอกเจ้าของร้านไล่ผมพลางหันไปพูดกับเมียแกที่กําลังอุ้มลูกน้อยอยู่ว่ายังไม่รีบอุ้มลูกเข้าไปข้างในอีก ไม่เห็นหนึงไงไอเด็กขอทานมันยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเชื้อโรคที่ตัวมันจะโดดเข้ามาโดนลูกเราหรอกเอา้าแล้วไอเด็กขอทานเนี่ยทำไมยังมัวยืนอยู่ตรงนี้ล่ะ ว, วะรีบไปไปเดี๋ยวขนมปังค่าจะเปื้อนหมดพอได้ยินเขาพูดอย่างนี้ก็ได้แต่นิดน้อยใจว่าการเป็นขอทานนี่ช่างเป็นที่น่ารังเกียจของผู้คนใชจริงๆแล้วก็เดินก้มหน้าออกจากร้านขนมปังอย่างเงียบๆ ผมเดินเคาะขันเล่นมาเรื่อยๆวันนี้ยังขอทานไม่ได้อะไรเลยกลับบ้านไปคงต้องโดนด่าแน่ยิ่งถ้ากลับไปเจอต่อที่พ่อกำลังอารมณ์ไม่ดีด้วยมีหวังโดนตียับยิ่งคิดก็ยิ่งกลุ้มขาที่ก้าวก็เลยช้าลงทุกทีทันใดนั้นเองผมได้ยินเสียงท่องหนังสือดังขึ้นที่จริง ก็คือผมเดินมาถึงกำแพงของโรงเรียนแห่งหนึ่งเสียงเด็กนักเรียนอ่านหนังสือประสานกันทําให้ผมตื่นเต้นจนแทบระงับใจไว้ไม่อยู่ผมเดินเรียบไปตามกำแพงจนเจอประตูหน้าโรงเรียนที่ถูกกั้นไว้ด้วยลูกกรงเหล็กผมมองเข้าไปเห็นเด็กนักเรียนนั่งอยู่ตามที่นั่งในห้องเรียนทุกคนถือหนังสือกันคนละเล่มกําลังตะแบ่งเสียงอ่านหนังสือกันอย่างกระมัอมกระม้น ผมซึ่งอยู่ข้างนอกก็พลอยท่องเบาๆต่างไปด้วยย้อนกลับมานึกถึงตัวเองที่ต้องขอทานจำยังไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหลงรู้สึกอิจฉาเด็กๆ เ, เหล่านั้นเหลือเกินที่เขามีโอกาสได้เรียนหนังสือพวกเขาช่างโชคดีอะไรอย่างนี้แล้วผมละ่ะเมื่อไหร่ผมจึงจะได้ไปโรงเรียนไปนั่งเรียนหนังสือแบบนี้บ้างเนอะ ผมไม่กล้าถามพ่อหรอกเพราะแค่หากินให้ท้องอิ่มยังไม่ค่อยจะมีปัญญาเลยแล้วจะหาเงินที่ไหนไปเรียนหนังสืออย่างคนอื่นเขาผมเดินคอตกกลับบ้านอย่างหมดหวังเดินไปเรื่อยๆตลอดเช้าผมเหนื่อยจังเลยยังไม่ทันกลับถึงบ้านจู่ๆฝนก็ตกลงมาสัก่อนและยิ่งตกหนักขึ้นทุกทีทุกทีผมรีบหลบเข้าไปในไร่เผือกข้างทาง Bien, เด็ดใบเผือกมาบางังไว้ที่หัวแทนร่มกันฝนแต่เพียงแค่ลมพัดมาหน่อยเดียวเท่านั้นใบเผือกที่ quez, furry, Gard, ทแสนจะปวกเปียกก็ปลิวเปิดเปิงไปไม่เป็นท่าในที่สุดผมก็เปียกจนได้พอกลับมาถึงประตูสุ ástico, สานเห็นเสื้อผ้าของคนในบ้านยังแขวนตากอยู่ตามหลุมศพก็รู้ทันทีว่าพี่สาวยังไม่กลับมาแน่แม่ที่ปัญญาอ่อน จะเก็บเสื้อผ้าเป็นที่ไหนกันพ่อตาบอดมองไม่เห็นก็เก็บเสื้อผ้าไม่ได้อยู่ดีดังนั้นเสื้อผ้าทั้งหมดจึงเปียกชุ่มอยู่ท่ามกลางพายุฝนอย่างนี้เองทีแรกผมกะว่าจะเปลี่ยนชุดที่เปียกออกแต่เมื่อเป็นอย่างนี้ก็คงจะหาเสื้อผ้าแห้งมาผลัดไม่ได้แล้วเมื่อเห็นผมกลับบ้านมามือเปล่าสีหน้าของทุกคนก็ปรากฏรอยผิดหวังอย่างปิดเอาไว้ไม่อยู่ ผมก้มหน้าลงด้วยความละอายใจหลบไปนั่งอยู่อีกมุมหนึ่งผมมันใช้การไม่ได้ใช่ไหมกะอีแค่ขอทานก็ยังขอไม่ได้ความจริงผมเองก็หิวมากและเสื้อผ้าที่เปียกแนบติดตัวก็ทำให้หนาวสั่นจนพูดไม่ออกผมพยายามห่อตัวให้ความอบอุ่นแก่ตัวเองมองดูสายฝนที่ตกอยู่นอกหน้าต่างปุบปุ๊ เม็ดฝนกระเซนซัดสาดมาที่ชายคาหนา้าต่างแล้วไหลลงมารวมกันเป็นหยดน้ำทีละหยดทีละหยดผมมองดูแล้วเริ่มนับในใจหนึ่งหยดสองหยดสามหยดนับไปเรื่อยหนาวหนาวจังหนาวจังเลยเรมฝีปากผมเริ่มสัน่นแต่ก็ยังฟืน้นับต่อไปสี่หยดห้าหยด ผมพยายามนับหยาด น, น้ำฝนอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อจะช่วยให้ลืมความหนาวและลดความหิวลงไปได้บ้านแต่แม่กับน้องชายคนโตทนหิวไม่ไหวแล้วทั้งแผนดร้องกระโดดและอาราวาสไม่ยอมหยุดเอาแต่ตะเบงเสียงตะกนว่าหิวหิวหิวผมหนาวเหลือเกินผมไม่อยากได้ยินเลยไม่อยากฟัง ไม่อยากได้ยินอะไรอีกแล้วแต่เสียงร้องไห้เพราะความหิวโหยของพวกเขาเหมือนเสียงกรีดร้องของปีศาจที่บาดทะลุเข้าไปในหัวของผมยิ่งไม่อยากได้ยินเท่าไหร่กลับยิ่งรู้สึกเหมือนกับว่าเสียงนั้นจะดังยิ่งขึ้นทุกทีทุกทีหูของผมใกล้จะทนไม่ไหวแล้วผมเฝ้าร่ำร้องในใจว่าหยุดร้องเสีทีหยุดร้องเสีทีเทถอะได้โปรดเถอะ แต่ก็ไม่เป็นผลเสียงร้องว่าหิวหิวหิ ว, หวนั้นเฝ้าวนเวียนเข้ามาโจมตีมโนธรรมที่มีอยู่ในใจผมอีกผมมันแย่จริงๆใช้การอะไรไม่ได้เลยเท่านี้ก็ไม่มีปัญญาหาเลี้ยงน้องกับแม่ให้กินอิ่มได้แล้วยังจะมีหน้ามาสซหัวอยู่ในบ้านอีกทําไมเอาละ่ะทุกคนหยุดรื่องครัวกันได้แล้วผมจะลองออกไปขอทานดูอีกสักครั้ง พอเปิดประตูออกมาเห็นสายฝนที่เทกระหน่ำลงมาอย่างหนักผมก็น้ำตาร่วงพอะฝนเอ้ยหยุดตกสถทีเถอะหยุดตกทีได้ไหมทำไมเกิดมาเป็นอาจิ้นต้องลำบากอย่างนี้ด้วยสวรรค์ท่านมองเห็นหรือไม่เห็นกันแน่ทำไมถึงได้โหดร้ายกับผมเช่นนี้ผมตะโกนจนคอจะแตกอยู่แล้ว ทำไมไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของผมบ้างหากใครได้ยินแล้วก็ช่วยบอกให้ฝนหยุดตกสักทีจะได้ไหมอย่าให้ฝนตกลงมาอีกเลยฝนตกอย่างนี้แล้วจะทําให้อจิ้นไปขอฐานที่ไหนกันเล่าไม่ยุติธรรมเลยไม่ยุติธรรมเลยจริงๆขณะที่เด็กคนอื่นได้ไปโรงเรียนเรียนหนังสือยายสวรรค์จึงกลั่นแกล้งผมเช่นนี้หนอ ทำไมต้องเอาความทุกข์ยากลำบากทุกอย่างมาโปะใส่หัวผมไว้คนเดียวด้วยทำไมทำไมนะทำไมผมแค้นใจเหลือเกินผมกำมัดแน่นทุกลงกับพื้นอย่างแรงเชะคิดจะเอาชนะผมมันคงไม่ง่ายดายอย่างนั้นหรอกผมจะยิ่งกระตันยูให้มากขึ้นกระตันยูให้มากขึ้นไปอีกผมจะสู้ให้ดู ผมไม่มีทางล้มหรอกผมต้องชนะท่านต้องเอาชนะชะตากรรมให้จบได้เมื่อตั้งใจเด็ดเดี่ยวแน่วแนว่ผมจึงเดินฝ่าสายฝนออกไปทันทีอย่างไรก็เปียกวอนไปหมดทั้งตัวอยู่แล้วถึงจะต้องตากฝนอีกก็คงจะไม่เปียกไปกว่านี้หรอกผมวิ่งวิ่งอยู่ท่ามกลางสายฝนแล้วบอกกับตัวเองว่าผมจะไปเคาะประตูทุกบ้าน ใครจะด่าจะว่าจะดูถูกผมอย่างไรก็เชิญบ้านหลังนี้ไม่ให้ก็ย้ายไปบ้านหลังใหม่หมู่บ้านนี้ไม่ให้ก็ไปหมู่บ้านอื่นอย่างไรซะก็ต้องหาทางเอาข้าวกลับมาให้ได้ไม่มีอะไรที่จะผลักให้ผมล้มลงได้อุปสรรคมีแต่จะยิ่งทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นคอยดูต่อไปก็แล้วกันนะสวัสดี